มีโอกาสได้รักก็รักให้สุดใจมีโอกาสได้กอดใครก็กอดใยสุดแรงมีโอกาสได้บอกลาก็เปิดใจอย่าห่วงแหงาแทนที่เราจะต้องเสียดายภายหลังมีโอกาสได้ยิ้ม ก็ยิ้มให้สุดใจมีโอกาสได้ช่วยใครก็ช่วยให้สุดแรงมีโอกาสได้คิดถึงก็โปลดคิดโปอดทำหนึ่งซึ่งใกล้กันมีกันมันดีที่สุดแล้วอย่ามีกันนั้นมากมายมา ยิ่งห่างเทินยิ่งเดินใกล้กันยิ่งห่างไกลกลับมองเห็นความสำคัญเมื่อสายไปในวันที่ไม่มีโอกาสได้แก้ไขตราหนักไว้เส ม, เมอรเราต้องเจอความเปลี่ยนพัน ราที่วันเวลานั้นยังมุนเรียนไปใช้ชีวิตทุกนาทีให้มีค่าที่สุดไว้เราจะได้ไม่ต้องเสียด้เมื่อสายไป อย่างมีการ น, นั้นมากมายมานยิ่งห่างเหินยิ่งเดินใกล้กันยิ่งห่างไกลกลับมองเห็นความสำคัญมือสายไปในวันที่ไม่มีโอกาสได้แก้ไข ตระหนักไวเสมอเราต้องเจอความเปลี่ยนพันตราบที่วันเวลานานยิ่งมุนเปลี่ยนไปใช้ชีวิตทุกนาทีให้มีค่าที่สุดไว้เราจะได้ไม่ต้องเสียดายเมื่อสายไป มีโอกาสได้รักก็รักให้สุดใจมีโอกาสได้กอดใครก็กอดให้สุดแรงมีโอกาสได้บอกลาก็เปิดใจอย่าห่วงแห้นแทนที่เราจะต้องเสียดาย